จเจลิมพรชาวการพินไทยกัชาวอยู่พื้นราบเจอว่าสวัสดีปีใหม่ก็ช้าไปหน่อยนะแต่งานนี้เป็นงานนิมนต์ครั้งแรกของปีนี้ที่หลวงพ่อรับนะจริงมีก่อนนี้งานหนึ่งแต่ว่าเจ้าภาพจัดงานไม่ทันเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเจอกันพวกเราชาวพูดด้วยกันทุกคนมีความสำคัญ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 เรารู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นขอรับรองว่าชีวิตดีขึ้นแนนะ่ถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงจริงสิ่งที่เป็นผลปล่อยได้ถ้าหากพวกเราศึกษาเข้าใจธรรมะขึ้นมานะก็คือศาสนาจะมีผู้สืบทอดด้วยแล่อย่าคิดว่าผู้สืบทอดศาสนาเป็นพระเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนนะถ้าเม่ไรเราภาวนาจนใจของเราเป็นพระ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 บื้องต้นเลยสมมติขันห้ากลุ่มหนึ่งอย่างหลวงพ่อถ้าหลวงสมมุตินะนี่ขันห้ากลุ่มนี้เรียกว่าหลวงพ่อโประโมดเนี่ยขันห้ากลุ่มนี้เรียกคุณต่อยอะไรนี่นถ้าสติปัญญาเราแกกล่าพอเราแยกออกไปนะเราก็พบว่าทั้งหลวงพ่อโประโมดทั้งคุณต่อยนะมันเป็นภาพลวงตาตัวจริงมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นรูปธรปรมกับส่วนที่เป็นนมามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ประกอบด้วยธาตุต่างๆ pronounced. ส่วนที่เป็นนมามธรรมก็ประกอบด้วยความรู้สึก ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยนส่วนหนึ่งความจําได้ความหมายรู้ส่วนหนึ่งความปรุงดีความปรุงชั่วนะส่วนหนึ่งอย่างกิเลสนี่ก็เป็นความปรุงจิตที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็เป็นอีกอันหนึ่งบรรดาสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนี่แยกแยกออกไปเป็นขันห้าอะไรนี่รูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราสามารถแยกออกไปได้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกปเป็นส่วนๆได้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 แต่และองค์แก่ๆทั้งนั้นเลยนะอายุทั้ง80 90พึ้นไปนะดูแต่และองค์มีความสุขอย่างไรบางองค์ก็ไม่สบายมากนะอย่างหลวงปู่สุวัตเป็นอมามาภาตนะแต่เดิมก็แข็งแรงดีแล้วลดความตกลงไปในท้องนาแล้วเป็นอมามาภัตนั่งอยู่บนรถเข็นทนะ่านมีความสุขได้ยังไงถ้าเราต้องอยู่ๆวันหนึ่งเกิอดอุบัติเหตุเราต้องนั่งรถเข็นเราจะรู้สึกยังไง ร, รู้สึกทนไม่ไหวใช่ไเราจะทุกข์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 เพ้นหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ไม่เหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วงานอื่นไม่ต้องทําอีกแล้วนะชีวิตมีความสุขสมบูรณ์อยู่ในตัวเองยัวใจของเรานี่เป็นเต็มไปด้วยความหิวนะมันอยากตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี้ก็ทั่งอยากมาฟังเทศนะพอจะอยากมาฟังเทศก็เริ่มกังวลอีกแล้วจะได้นั่งหน้าหน้าไหมอยากมานั่งหน้าหน้านะแต่ว่าอยากมาช้าๆนะความอยากมันขัดแย้งละอยากมานั่งหน้าหน้านะอยากมาส่งกันบ้าน แต่ว่าขี้เกียจออกยากบ้านอยากออกช้าๆใจเราน่าเต็มไปด้วยความอยากพอมีความอยากเกิดขึ้นนะใจเราถูกบีบคั้นตลอดเวลาเลยงั้นเราค่อยๆศึกษานะเราจะเห็นเลยใจนี้เต็มไปด้วยความอยากใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจไม่ใช่ของที่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเราดูของจริงอย่างนี้จิตใจก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้มีความสุขประเดี๋ยวปรดาวเดี๋ยวเดียวก็หายไปละความสุขในทางโลกนะมันคล้ายๆคนเปียรแชร์ ให้เคยเล่นแชรสอะถามมั้นถามตรงๆมีไหมมติครมห้ามรัฐวิสาหกิจเล่นแช่นะมีนะห้ามากครือขายห้ามรัฐวิสาหกิจแต่พวกเราก็เล่นใช่ไหมไม่ต้องยกก็ได้นะเดี๋ยวภูมิชาเห็นแล้วูมิชารู้ว่าเล่นด้วยกันนะ <S <S 1> <S 1> นนเวลาเราเปียแชร์ได้มีความสุขรู้สึกไหมแต่มีความสุขแว บ, บเดียวนั้นอะถัดจากนัก้นจะต้องส่งแะ้วะไม่มีความสุขแล้ว <S <S <นะ S 2> ความสุขในโลกเหมือนเปียแชร่นะมีความสุขแว๊บๆอะ เดียวเดียวนะโอความทุกข์ตามมาเป็นแถวเลยถามนายหนุ่มหนุมทั้งหลายนะทั้งหนุ่มมากหนุ่ ม, น, มน้อยคนไหนแต่งงานแล้วช่วยยกมือให้ดูหน่อยต้าหารหน่อยสารภาพมาไม่ต้องกลัวคนอื่นรู้ไม่ต้องกลัวกี่กลัวมีเมียแล้วนะสังเกตไหมตอนจีบสาวใต้ใหม่ๆมอ่ะมันรู้สึกยังไงแต่งมาหลายๆปีแล้วรู้สึกยังไงดีด้าเหมือนเดิมไหมไม่มีเลยใช่ไหมทีแรกก็น้องจา้าน้องจา๋าใช่ไหมต่อมาก็อีแก่ทำนองเดียวกันเลย ผู้หญิงก็เริ่มพี่จ้าพี่จ๋านะลงท้ายก็ไอแก่รลงแล้วมันแก่ทั้งคู่แม้กระทั่งความสุขอย่างนี้นะความสุขในชีวิตครอบครัวนะมื้อวาอยู่ชั่วคราวนะแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความสุขที่ไม่ผ่านไปนั้นเราค่อยๆสังเกตที่ใจเรานะใจเราเนี้ยดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลาเหมือนเหมือนจะได้มาแล้วก็หลุดมือไปเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราปรารถนาแต่จะได้ความสุขถาวร นะความดีถาวรเราอยากได้อะไรที่ถาวรมันเป็นสิ่งซึ่งไม่มีจริงอยากได้ของซึ่งไม่มีจริงมันไม่มีวันสมอยากนะเราอยากได้มีความสุขถาวรความสุขถาวรไม่มีความสุขมันมีอยู่ชั่วคราวนะเพราะความสุขเองก็ไม่เที่ยงเห็นไเราอยากได้สิ่งซึ่งมันไม่มีมันก็ไม่มีทางได้เพราะฉะนั้นเราวนเวียนอยู่ในโลกนั้นใจเราจะเต็มไปด้วยความอยากอยากจะทาอะไรลงท้ายมันก็คืออยากมีความสุขนั่นแหละ ต่เกียดตะกายหาความสุขแทบไม่แย่เลยเหมือนวิ่งไล่จับเงาเนะีเหมือนเหมือนจะจับได้แต่ไม่เคยจับได้หรอกใครเคยมีความสุขแล้วถึงอกถึงใจนิรันดรมีไหมมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่พวกเราหรอกนะต้องภาวนานะภาวนาจนวันที่ใจมันปล่อยวางแนละปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจได้มันจะมีความสุขเกิดขึ้นเป็นความสุขที่เป็นอิสระนะไม่ใช่ความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่น ความสุขของเราทุกวันนี้เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมลองนึกดูซิจริงไหมอย่างเราอยากได้มือถือใช่ไหมไปซื้อมาเนี่ยความสุขเราอิงอาศัยมือถืออันใหม่นี้บางคนไปซื้อรถยนต์มาใช่ไหมความสุขเราอิงอาศัยรถนี้พอรถถูกขีดถูกขวนไปหน่อยความสุขหายไปละเนี่ยความสุขเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขอยู่ไม่นานนะเขาก็เปลี่ยนไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ไหม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 จริงๆทั้งกายทั้งใจนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความบีบคั้นทนอยู่ในภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้นะไม่ใช่ตัวตนถาวอนที่เราจะสั่งได้ตามใจชอบตัวตนถาวอนไม่มีมีแต่ความหลงผิดเป็นคราวล ว, ว่านี่คือเราอันนี้คือเราเพราะไปหลงสมมติเพอเราไปดูเนื้อแท้ของมันสิ่งที่เรียกว่าเราสิ่งที่เรียกว่าเรารวมลงมามันก็มีกายกับใจเนี้ยนะดูลงในกายกายก็ไม่ใช่เราจริงนะกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาต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 ทุกอย่างก็เกิดแล้วดับหมดเลนจิตใจก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับท <ATION> okay. ั้งหมดเลยไม่มีหรอกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถานบอลถ้าเราหัดภาวนาจนเราเห็นอย่างนี้ได้นะใจเราเป็นอิสระใจเราจะไม่ยึดถือในกายยึดถือในใจเพราะเรารู้เราไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของที่ยึดถือไว้ได้เมื่อเราไม่ยึดถือสิ่งใดนะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วเราจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกการที่เรายึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเนื่องมาจากกายจากใจของเราเอง ถ้าเราไม่ยึดกายยึดใจกระทั่งตัวเองอย่าไม่ยึดเลยจะไปยึดอะไรอย่างบางคนไปยึดลูกเห็นมมีลูกมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นลูกของเราเห็นถ้าตัวเราไม่มีนะมันไม่ใช่ลูกของเราลนะแต่มีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงนะอย่ามาอ้างว่าหลวงพ่อประมุบอกลูกไม่ใช่ของเราใส่ถังขยะนะไม่ใช่นะนั่นเข้าอ้างลนะมีภารกิจทางโลกก็ทาไปโดยสมมตินะ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 มีไหมมีไหมมีไหมมีไหมนี่ได้ยินทั้งนั้นแหละนะรู้ไหมเป็นยังไงพระสดาบันมีอะไรพรนะโสดาบันมีศีลศีลบริบูรณ์นะอืมพวกเรามีศีลบริบูรณ์ไหมศีลข้อไหนรักษายากที่สุดโอ้ข้อสีแม่ตับฉาฉานถูกต้องเลยศีลข้อสีรักษายากที่สุดเลยนะดังพลอยง่ายนะศีลข้อสีมุสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โกหก มุสานะีมันคลุมไปถึงสอดเสียดเนี่ยส่อเสียดคื อ, อยุให้เขาทะเลาะกันยุทางนี้ทียุทางนี้ทีส่อเสียดนะพูดคำหยาบพูดคําหยาบก็ศีลดังพลอยพูดเพิรเจอพูดเพิรเจอก็ศีลดังพลอยพูดเพิรเจอเป็นยังไงพูดในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องพูดนะมีไหมวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมีไหมเยอะมากเลยบางคนบอกมากกว่าพูดปําจริงอีกงั้นศะีลนเะขาศีรักษายากนะพระโสดาบันมีศีล ท่านมีศีลเพราะว่าท่านจิตใจของท่านภาวนามาดีนะสติมันรวดเร็วเร็วกว่าพวกเราพอ ก, กิเลสมันเกิดเนี่ยท่านรู้ทันลนะกิเลสหยาบหยาเกิดขึ้นนะ่ะรู้ทันคนเราทําผิดศีลได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงําเพราะนั้นเราค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งจะได้เป็นพระโสดาบันหา ร, รักษาศีลไว้ก่อนทีแรกเรายังไม่มีศีลอัตโนมัติหรอกไม่ใช่ศีลของพระอริยะยังเป็นศีลของชาวบ้านธรรมดาอยู่ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนศีลนะเป็นเครื่องมือขัดเกลากิเลสอย่างหยาบหยาบ ทุกคนต้องมีกิเลสอย่างหยาบเท่านั้นแหละโกรธแรงแรงใครเคยโกรธแรงแรงไหใครเคยโลบแรงแรงไหมก็มีทุกคนเหรใช่ไหมเวลาที่เราถูกความโกรธครอบงำเนี่ยถ้าเราไม่มีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนะเราผิดสีง่ายพอถูกความโกรธครอบงำเราก็ไปกระแนกะกระแหนเขานีนี่อย่างอ่อ น, ออนๆใช่ไหมไปประชดประชันกระแทกโคลงคลามเดินกระแทกส้นเท้าอะไรเงี้ยนะรุนแรงขึ้นมาก็ไปด่าเขาปิยุให้เขาเสียหายไปว่าเขาอะไรเงี้ยหรือไปทําร้ายร่างกายเขา น, นี่เพราะโทสะ ครอบงำจิตได้นะศีลเราก็ด่งพลอยง่ายเพราะโลภะครอบงำจิตนะศีลก็ด่งพลอยง่ายคนเราไปขโมยเขาได้ไปเป็นชู้เขาได้นะไปยกักยอกเขาได้อะไรนี่ก็เพราะโลภะครอบงำจิตนะงั้นถ้าเราอยากจะรักษาศีลให้ดีนะไม่ใช่แค่มาถึงก็อารัธนาศีล น, นะพอเจอหน้าพระนี่โยมชอบมากเลยเจอหน้าพระนีาอารัธนาศีลอารัธนาเสร็ก็ได้เวลาฟังธรรมคุยกันจกแจ๊กๆเลยพูดเพิอเจอแล้วศีลเริ่มหายไปละนะ งั้นเราตั้งใจนะเราค่อยๆฝึกวิธีที่ฝึกให้เรามีศีลเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่หรอกเราค่อยมีสติรู้ทันใจตัวเองไปนะเคยได้ยินคําว่าดูจิต ด, ดูจิตไหมนะดูจิตเนี่ยทำให้เกิดศีลนะดูจิตทําให้เกิดสมาธิดูจิตทําให้เกิดปัญญาก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยถึงปัญญานะไปได้แค่สมาธิส่วนใหญ่เพราะปัญญาเนี่ยทำยากไม่ว่าฝึกมาแนวไหนนะส่วนมากไม่ค่อยขึ้นปัญญาที่แท้จริงนะพราอริยเลยขาดแคลน ส่มากได้แค่สมาธินะทุกแนวทุกสายนะกระทั่งไปดูจิตดูใจดูไปดูไปใจไปอยู่ในความว่างเนี่ยอย่างนี้ไปติดสมถนะแล้วนี่เราหัดรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันไว้นะนี่ลงมือถึงภาคปฏิบัติแล้วนะฝากให้พวกเราไปลองฝึกดูจิตดูใจตัวเองดูการดูจิตดูใจตัวเองเป็นวิธีทํากรรมฐานที่ง่ายๆนะสําหรับคนซึ่งทํางานที่ต้องคิดทั้งวันอยู่แล้ว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 ค่อสะสมไปสะสมไปต่อไปก็รวยขึ้นมานะหากินง่ายขึ้นง่ายขึ้นการภาวนาก็เหมือนกันนะพวกเราตอนนี้ยังยากจนอยู่เราทําฌานก็ไม่เป็นนะแต่เข้าฌานอย่างที่คนสมัยก่อนหรือครูบาอาจารย์รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านทําสมาธิกันหลายๆปีบางองค์ทาทั้งหลายปีทําสมาธิอยู่งนะั้นให้พวกเราไปนั่งสมาธิพอตกค่ำไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับเลยเพราะว่าเหนื่อยเต็มทีแล้วงั้นะเราก็ภาวนาแบบคนยากคนจนไปนะเก็บเล็กผสมน้อยไปด้วยเลยให้มีสติไว้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 อ๋อ oh, มันกโกรธขึ้นมาแล้วมีคําว่าแล้วด้วยมันกโกรธขึ้นมาแล้วเรารู้ทันนะจิตมันโกรธขึ้นมามันอยากละมันเห็นสาวแล้วมั น, นอยากจีบเขาเนี่รู้ว่ามันอยากละนี่ความอยากเกิด <IK S 1> ขึ้นก่อนเรารู้ว่าอยากความโกรธเกิดขึ้นก่อนเรารู้ว่าโกรธนะใจลอยไปก่อนเรารู้ว่าใจลอยฟุ้งซ่านไปก่อนเรารู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่ไปก่อนเรารู้ว่าหดหู่นะเนี่ยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนอย่าไปดักดูนะถ้าเราดักดูแล้วก็มันจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างจะนิ่งไปหมด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 สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เคยบอกแล้วนะั่นนะสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราจะเรียกแยกออกไปละเอียด่อยก็เป็นขัน5นะบางทีก็แยกออกเป็นอายตนะหกบางทีก็แยกเป็นาธาตุสิบบางทีแยกเป็นอินทรีย์22นะแล้วแต่จะแยกนะรวมความแล้วอย่างน้อยต้องแยกเป็น2องอันนะรูปธรรมกับนามธรรม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 เริ่มมีแล้วใช่ไหมยิ่งถ้านั่งที่ท่าที่ทรมานมากๆนะกิดกระสับกระส่ายเร็วแล้วค่อยดูไปอีกความกระสับกระส่ายนี่นะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกนะคล้ายๆความเมื่อยเหมือนกันนะแต่ความเมื่อยมันแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนะความกระสับกระส่ายมันแปลกปลอมเข้ามาในใจนะความกระสับกระส่ายเป็นอีกขันหนึ่งนะเป็นอีกสภาพหนึ่งเป็นอีกสภาวะหนึ่งนะมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่กายแล้วก็มันไม่ใช่ความเมื่อยด้วยนะ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 น, นี่ภาวนาไปนะในในสุดเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรมันเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองนะเป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกหมุนเวียนเ ป, เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งธาตุมันจะแตกถ้าเห็นธาตุมันจะแตกเราจะตายและนะโดยสมมุติเรียกว่ามันจะตายในความเป็นจริงคือธาตุมันจะแตกแล้วนะจะเปลี่ยนสภาพไปมันจะไม่เป็นโครงรูปอยู่เป็นมนุษย์อย่างนี้ละธาตุมันแตกเราไม่ได้เดือดร้อนนะธาตุมันแตกไม่ใช่เราแตกนี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 นะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี่นะเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลง เ, เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นตลอด น, ะนี่ฝึกไปเรื่อยนะในที่สุดเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงนะทั้งกายทั้งใจนี่นะถูกบีบคั้นทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรอกอย่างจิตใจของเราเราคิดว่าคือตัวเราตัวเราถามหน่อยสั่งได้ไหมเอาทุกคนสั่งเลยจงบรรลุพระอรหันต ก, การระบาดนี้เทินสั่งเข้าสั่งไม่ได้เห็นไหม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 พวกเราพร้อมที่จะคลอนแคลนกับพระรัตนตรัยเสมออย่างสมัยเมื่อสองสาปีก่อนใช่ไหมเราหันไปนับถือเทวดาเนื้อออกไหมนับถือเทวดานับถือจตุคามรามเทพตอะไรตอนนี้จตุคามก็เงียบเงียบไปแล้วหันไปนับถือพระราหูอีกแล้วเห็นไหมนับถือพระคเนศนับถือนนท์นับถือนี้หมดนะเจอหมาเจอแมวแปลกๆเราก็นับถือได้นะจิงจกสองหางก็นับถือได้เห็นไหมวัวสามขา วายส อ, สอมีเขาเดียวอะไรเงี้ยนับถือได้หมดอะอะไรก็ได้ขอให้เหงงก็แล้วกันสรุปแล้วนับถืออะไรเรานับถือผลประโยชน์นะน <Yeah. S 1> ั้นเราพร้อมจะทิ้งพระรนะัตนาไตรนะคนที่ถึงพระตัตนาไตรนะเอาผลประโยชน์มาลอ่อยังไงนะจะใจจะไม่ลืมพรระตัตนาไตรจะไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเลยนะจะมีแต่พรระตัตนาไตรเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราจะเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการกระทําของเราเองนะถ้าเรายังเชื่อความเหงงความซวยอะไรอย่างนั้นอยู่ ไม่มีทางเป็นพระโสดา บ, บันหรอกนะพระโสดา บ, บันท่านไม่ได้เชื่ออย่างนั้นท่านเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าท่านภาวนาดูอย่างเนี้ยเราหัดดูจิตดูใจทุกวันเราจะเห็นเลยจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์นะนะก็เป็นผลของกรรมนะอย่างถ้าจิตเราเป็นเป็นกุศลขึ้นมาจิตมันก็มีความสุขขึ้นมาจิตเราเป็นอกุศลขึ้นมาจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมานะนี่เป็นผลของการกระทํากรรมนั่นเองทําความดีไปด้วยจิตก็มีความสุขทํากรรมชั่วไปด้วยจิตก็เป็นทุกข์ขึ้นมานะน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 ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรได้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะวันนี้เอาแค่พระโสดาก็พอนะโสดาบันออกแล้วนะมากกว่านั้นเดี๋ยวเรียนแล้วจําไม่ไหวสรุปเอาไงดีสรุปรู้สึกตัวไว้ก่อนนะแต่ก่อนจะรู้สึกตัวนะฝากไว้ก่อนนะชาวพูดอย่าลืมศีลห้านะคนที่ไม่มีศีลจิตจะไม่สงบหรอกนะศีลจะช่วยให้จิตสงบง่ายอย่างเราคิดจะไปมีชู้เนี่ยจิตไม่สงบหรอก เราคิดจะขโมยเขาจิตไม่สงบหรอกเราคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะทํำร้ายเขาจิตไม่สงบหรอกเราพูดเพ้อเจ้อจิตไม่สงบหรอกนะพูดสอดเสียดเนี่ยจิตยิ่งมีโทสะแรงขึ้นอีกนะจิตไม่สงบหรอกงั้นศีลเนี่ยนะรักษาไว้ก่อนมันจะช่วยให้เราสงบง่ายนะเบื้องต้นเราก็จงใจรักษาไปก่อนต่อไปสติเราเร็วนะพอกิเลสเกิดปั๊บเราเห็นเลยคราวนี้ไม่ต้องจงใจรักษาและศีลมันอัตโนมัตินะนะเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อน นะตั้งใจรักษาศีลไว้เพื่อใจเราสงบง่ายถ้าจากนั้นเรามาฝึกให้ใจสงบให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าจิตใจสงบหมายถึงจิตใจไม่ลืมตัวเองจิตใจไม่ลืมเนือ้อลืมตัวถ้าจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดจะลืมเนือ้อลืมตัวอย่างคุณผู้ชายเนี่ยไหมจิตลืมตัวเองไปแล้วใจไหลๆๆไลๆไหลวิชิตเรื่อยๆไปนะเพราะนั้นเราพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธินะพราะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเจริญปัญญา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 นะเป็นวัตถุที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นั่นแหละเดินปัญญานะนั่นเราค่อฝึกนะไม่ยากเกินไปหรอกมนุษย์ธรรมดานี่แหละทาได้หลวงพ่อฝึกก็มาตั้งแต่เป็นฆราวาสอย่างพวกเรานี้แหละเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงนะชื่อก็น่ากลัวแล้วนะฟัง่งเราลึกลับที่สุดเลยนะอยู่สภาความมั่นคงแล้วงา น, งานเครียดมากเลยนะวันๆนะต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์อะไรต่ออะไรเยอะเลยข้อมูลบางอย่างวิเคราะห์แล้วก็พูดไม่ออกนะ เช่นรัฐวิสาหากิจทั้งหลายเนี่ยมักจะถูกลุมทึงรู้ก็พูดไม่ออกนะลาบากาจะเจ๊งวิเจ๊งแหลกก็เพราะไอ้เรื่องพวกนี้ย <c oughs> <c oughs> เหมือนกันหมดเลยทุกแห่งเนี่ยงานลําบากนะงานวุ่นวายแต่ละวันแต่หลวงพ่อใช้วิธีดูใจตัวเองไปด้วยเครียด <c oughs> ขึ้นมารู้ว่าเครียดสุขขึ้นมารู้ว่าสุขเนย <c oughs> ดีขึ้นมารู้ว่าดีโลภโกรธหลงขึ้นมาตามรู้มันเรื่อย อยู่ไม่นานนะไม่กี่เดือนหรอกรู้ไปเรื่อยแล้วเข้าใจความจริงเลยใจเราก็เปลี่ยนไปนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นฝึกไปนะแล้วสุดท้ายจะมีความสุขนะเห็นกายเห็นใจไปเรื่อยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเห็นทุกข์มากๆเข้านะใจกลับมีความสุขเพราะใจมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเพราะมันไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันทุกข์เพราะยึดถืออยู่ะเทศมาสีสบหนาทีพอสมควรวันนี้จะได้ถามกี่คนเนาะ 15ท่านครับเช<อ>ิญเบอร์หนึ่งด้านหน้าครับด้านโน้นเลยครั บ, รบกราบธรรมสการหลวงพอ่อค่ะใครจิตฟุ้งซ่านบ้างรู้สึกไหมเมื่อกี้ลืมตัวเองไปละนะเวลาใจสมมติบางคนก็วิ่งมาอยู่ที่คนที่จะถามบางคนหนีออกไปนอกห้องนึกออกไหมลืมตัวเองเมื่อไร่ลืมตัวเองนะนั้นจิตไม่ตั้งมั่นลนะขาดสติด้วยขาดสมาธิด้วยนะงั้นคอยรู้สึกตัวบ่อยบ่อยนะความรู้สึกตัวเนี่นะสําคัญที่สุดเลย เป็นต้นทางของการปฏิบัติเลยนะคุณงามความดีทั้งหลายนะัเกิดไม่ได้เลยถ้าเราลืมตัวเราเองนะอ้าวเชิญเบอร์นหนึ่งกลาวณมักการค่ะก็เพียงถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ที่ว่ารู้กายตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรู้กายเนี่ยจริงๆรู้รู้จริงๆหรือว่าคิดไปเองคะรู้อยู่นะแต่ตอนนี้เพ่งรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันทื่ๆเพ่งไปที่หลวงพ่ออ๋อรู้สึกไปใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริง ตัวจริงเราใจสนกว่านี้รู้สึกไหมค่ะออตอนนี้หนักหนักหนักหนักเหน็นไหมเพราะเราเพ่งเอาไว้นะถ้ายังเพ่งอยู่ยังบังคับอยู่เนะี่ยไม่ใช่การรู้หรอกสิ่งที่เป็นศัตรูกับการรู้มีสองอันนะอันที่หนึ่งลืมตัวเองไปอย่างขนาดเนี้ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมอ อ, อันที่สองคือไปเพ่งเอาไว้ถ้าไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้ันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ไปฝึกต่อนะพอใช้ได้แล้วดูออกไหมจิตโมหะจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะนะ อ่าเปิด์สองเดี๋ยวยังงงอยู่งงอ่ะรู้ไหมเออรู้ว่างงนะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเราถูกกิเลสหลอกเราหรือไหมพองงเรายิ่งคิดใหญ่นึกออกไหมยิ่งคิดก็ยิ่งลืมกายลืมใจจำไว้อย่างนะพวกเรานะทุกคนนะกว่าหลวงพ่อจะรู้ตัวนี้แทบตายภาวนากิเลสทุกตัวเนี่ยทําหน้าที่อย่างเดียวกันหมดเลยทําให้เราลืมตัวเราเองนะไม่กิเลสทั้งหมดเลยจะหลอกให้เราลืมตัวเอง ความโกรธเกิดขึ้นสังเกตไหมขณะที่เราโกรธเนี่ยเราจะคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธเราจะลืมตัวเองลืมรู้ว่ากําลังโกรธอยู่เวลาความรักเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักหรือคิดถึงของที่เราอยากได้ไหมอยากได้มือถืออันใหม่แล้วเนี่ยใจวิ่งไปอยู่ที่ห้างอยากได้ไหมเนี่ยเราลืมตัวเราเองขณะนั้นความฟุ้งซ่านเกิดใช่ไหมก็ลืมตัวเราเองคิดเรื่องน้อนคิดเรื่องนี้ไปความหดหู่เกิดก็เซงซึมผู้หญิงเป็นเยอกว่าผู้ชายเท่าที่เห็นนะชอบสวมวิญญาณนางเอก ทำใจเศร้าแม้แสบอยู่ข้างในนะชอบนะฮนะฝึกตกนรกนะนั้นเรามันจะทำให้เราแม้เคลิ้มมอมไหร่พระเอกจะมาปลอบไม่มีหรอกพระเอกนะฝั น, ฝนเราเองเนี่ยรู้ทันลงไปนะกินเลด ท, ทุกตัวเลยมันจะลากให้เราลืมตัวเราเองนะงั้นเรามันศัตรูของการปฏิบัติเลยง้เราคอยรู้ทันอย่าเชื่อมันความสงสัยเกิดขึ้นทำยังไงดีเออรู้ว่าสงสัยแต่อย่าคิดไม่เลิกเลยคิดอย่างนี้นะ รู้สึกเรื่อยๆนะอ่ะคนตามมากลับนวัตการหลวงพ่อวันนี้รู้เลย<ะ>ว่าอยู่เรือบินแน่ฝีม่วงที่เริ่มฝึกปฏิบัติค่ะอยากกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติม า, ท, า ท, ทั้งหมดที่ฝึกมาเนี่ยถูกต้องม้างมหคคะถูกนะดีกว่าไม่ปฏิบัติอ้าว อ, อย่างสมมุติเราไม่เคยมีศีลเรามีศีลก็ดีใช่ไหมเราเคยฟุ้งตลาดเลยเราสงบขึ้นมาก็ดีอ่ะ เราไม่เคยรู้สึกตัวเลยหลงทั้งวันไม่เคยเห็นกายเห็นใจเราเห็นกายเห็นใจขึ้นมาก็ดีอ่ะนะของโยมก็ ด, ดีแล้วเนี่ยก็คอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆต้อรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตใจอยู่กันทั้งตัวจิตขณะนี้ตั้งมั่นไหมคิดว่าตั้งมั่นไหมขณะเนี้พูดใส่ไม่สิหลวงพ่อไม่ได้ยินไม่ค ย, ยตั้งมั่นเท่าไหร่นะมันกระจายรู้สึกไหมจิตเรากระจายกว้างๆออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขรู้สึกไหมเราไปหลงอยู่ในความว่างๆอันนี้และ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 ข่าวนวัตการพระอาจารย์ครับขอโอกาส ร, รายงานการปฏิบัติครับทุกวันก็จะฟังซีดีหลวงพ่อครับแล้วก็จะได้ดรู้ล ง, งเบอร์สองอย่าไปกดจิตให้นิ่งนะจิตมันเครียดแล้วรู้สึกไหมอย่าไป บ, าบังคับถ้าเรารู้ว่าจิตกระจายออกนอกนะแค่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่าพยายามดึงถ้าดึงนะจะแน่นอย่างนี้แหละ อ, อึดาดแค่รู้ว่ามันออกนอกบางทีมันก็กลับเข้ามาแล้ว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 นะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนหัดหายใจไปพุโทโธไปนะหายใจเข้าพุทออกโธอะไรเนี่ยฝึกมาจากท่านพ่อหลีวัดอโศการามนี่แหลนะเราก็หายใจไปนะพอใจมันลืมตัวเองไปใจมันหนีไปคิดนะ่ยฟุ้งไปละรู้ท่านว่าใจหนีไปและแต่ตอนที่นั่งสมาธิแล้วก็เดินจมกลมจะรู้ตัวครับแต่พอปล่อยมาก็เหมือนเดิมออกมาอยู่ข้างนอกนะเราพุโทโธไปเรื่อยก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้พุโทโธพุโทโธไปนะแต่เวลาลูกค้าคุยกับเราต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะไม่ใช่เขาถาม เกตนี้ไปทางไหนพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกนะ <laughs> พยายามรู้สึกตัวได้แนะ่หาเครื่องอยู่ให้จิตนะบริกรรมไว้ก็ได้หายใจไว้ก็ได้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไปไว้ก็ได้แล้วพอจิตมันลืมกายเนะมันก็จะเรียกว่าหลงไปแล้วต่อไปมันจะรู้รได้เร็วขึ้นยังพอไหวใช่ไหมครับไหวสิต้องไหวนะมันเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บ้านจะหนีหรือไม่หนีดีจะหนีไหวไหมนอ้ออะไรเงี้ยนั่นโง่ที่สุดแล้วนะเพราะงั้นต้องไหวนะ คำว่าไม่ไหวเนี่ยใหญ่ให้มาอยู่ในสาระบบชาวพุทธต้องสู้นะออไม่มีใครเขาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองให้ได้อย่าไปบังคับจิตไว้สืมไหมไปดันมันตัวปลอมครับตอนนี้นะตัวปลอมนะดันแต่ชาวการบินไทยก็เก่งนะสามคนใช้ได้ละคนนั้นมีโมหายเยอะนิดหนึ่งนะคนแรกอะ่ะจะดูกดิกให้เยอะไว้อย่านั่งสมาธิซืมๆนะต้องระวังมากๆเลยอย่านั่งสมาธิแบบซืบๆนะเคลื่อนไหวไว้ไปทำงานทําไว้แล้วก็ เห็นร่างกายมันทำงานได้่อยจิตมันจะตื่นมากกว่านี้นะอ้ากล่าวนมำสการหลวงพ่อค่ะจะถามหลวงพ่อขอคําแนะนำค่ะว่าเจริญเนี่ยเหมาะสมกับการอะไรที่เหมาะสมกับการเจริญสมถะแล้วก็วิปัสนาค่ะดูเอาเองสินะหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วง่ายอยู่ตายสมถาเราดูไปเจริตในการทําสมถะมีหกอันนะมีราคะเจริตโทสะเจริตโมหะจริต วิตกจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตมี6กันเอาง่ายๆก็ได้ราคาโทรศัพบุหะตัวไหนขอเราเด่นละ่ะคือหนูนนิสัยไม่ดีเยอะค่ะก็จะเด่นหมดเลยค่ะเด่นหมดเลย <laughs> หรอเด่นหมดเลยนะหายใจไป น, นี่ทำไปเรื่อยไนดะ้เพราะใจก็สงบขึ้นมานะตัวลมหายใจเป็นกรรมฐานกลางๆนะหายใจไปใจก็สงบขึ้นมาถ้าหายใจแล้วไม่สงบนะสวดมนต์อะไรสักบทหนึ่งสั้นๆก็ได้นะนโมทำโมสังโฆอะไรก็ได้ นะพอใจมันลืมไปแล้วก็ค่อยรู้ทันเอานะอไอ้นี่สัพ t a n t r แล้วอารมณ์จริตของวิปัสสนามีสองอันจริตที่จะใช้ทําสมาธามี6กอันนะจริตที่จะดูว่าจะใช้อารมณ์อะไรในการทําวิปัสสนามีสองจริตนะชื่อตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตรักสวยรักงามรักสุขรักสบายมากไหมหรือคิดมากเป็นทั้งสองทั้งสองอย่า ง, างนี่กนนี้บอกมีหมดเลยงั้ไปดูจิตไว้จริงๆคิดมากนะ ดูจิตไปก่อนนะอย่ยเหตุจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามรู้ตามดูบ่อยๆนะแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็คอยรู้สึกกายไปด้วยนะจริงๆเป็นส่วนผสมนั่นแหละถูกต้องแล้วดีที่รู้ทันตัวเองนะอา้าวโยมผู้ชายหลวงพ่อสังเกตนะชาวการบินไทยเนี่ยแต่สุ่มตัวอย่างห้าคนนี่นะผู้ชายจะ ก, กลัวมากกว่าผู้หญิงแปลกนะตื่นเต้นเหรอทำไมตื่นเต้นกับนมัสการหลวงพ่อครับปัจจุบันนี่ก็ ฝึกปฏิบัติอยู่แต่ยังรู้สึกว่าไม่ใจไม่ไม่สงบนะตอนนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อหรือขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคือเราทำงานที่ต้องคิดทั้งวันนะงานเรามันมีเรื่องวุ่นวายเยอะเนี่ยเราจะบังคับฝึกฝนให้จิตสงบนานๆเนี่ยมันยากนะงั้นเราเก็บเลขผสมน้อยไปเลยโยมคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆไว้นะใจมันหงุดหงิดขึ้นมาคอยรู้หงุดหงิดขึ้นมาคอยรู้หงุด ห, หงิ ด, งดบ่อยไหม ไม่บ่อยครับแ ล, แล้วตัวไหนบ่อยอะ่ะนิ่งๆครับปกติจะจะเป็นคนอ ย, ยังงั้นอยู่ครับนิ่งเหมือนตอนนี้ไหมปกติจิตใจเหมือนขณะนี้ไหมครับแต่จิตมันก็จะมีไหลบ้งาง<น>พ่อวอนึกออกก็พยายามจะตามดูอยู่ยมยอย่าไปเกาะให้นิ่งอยู่เหมือนตอนนี้นะถ้าก่อนนิ่งอยู่ตัวเนี้ยมันกลายเป็นธรรมสมถะไว้จิตจะไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูหรอกเราก็ย่อมสึกไม่โกรธเลยแต่ถ้ายมไม่เพ่งเมื่อไหร่นะยอมอีขี้โมโหนะ ไอ้ที่เราเพ่งไว้มันทําให้จิตมันไม่ทํางานกิเลสมันไม่กล้าทํางานขึ้นมานะเราค่อยๆรู้สึกตัวไปนะค่อยดูไปเรื่อยๆปล่อยให้จิตมันทํางานอย่างอิสระจริงๆอย่าไปบังคับให้มันนิ่งๆของโยมรู้สึกไหมขณะนี้อา้าวแรงขึ้นไปกัเมื่อกี้บังคับน้อยลงนะใจมันจะเบาขึ้นถ้าเราบังคับอยู่เนี่ยใจมันจะหนักๆ น, นะงั้นเราก็อย่าไปบังคับจิตนะจิตจะลําบากซะเปล่าๆรู้สบายๆไปนะอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิด ไหลไปรูบหนึ่งดูออกไหมนะถ้าดูไม่ออกนะดูกายไว้นะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูกายนี้ทํางานไปเรื่อยๆนะโยมอาจจะดูกายได้สะดวกกว่าดูจิตเพราะว่าสมาธิเยอะใจมันนิ่งนะอย่าให้นิ่งเหมือนตอนนี้ตลอดแปบวันนะกลัวหลวงพ่อนะไม่ใช่อะไรโอ้เลยไปเพ่งไม่ใช่เออหลุดมาอย่างนี้สินะนี่ปล่อยมันอย่างนี้นะแล้วมีสติตามดีอย่างนี้ใช้ได้แล้วนึกไหมนึกออกไหมไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่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 มันก็จะนึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราทําอะไรหรืออย่างนี้มั น, บบนนะจงใจไปคุณผู้ชานะเ <ไป S 2> มืม่อกี้เผลอไปนะรู้สึกไหมพอเราจงใจจะปฏิบัตินะใจมันไหละให้รู้ทันตรงที่ใจไหลไปเนี้ยนะใจไม่ตั้งมันนะ่นละนะเดี๋ยวลองทําใหม่ซิทำทำอย่างตะกี้ใหม่คราวนี้มันไม่ไหลอ ย, อย่างตะกี้แต่มันสายไปใสามาใช่ไหมจิตมันใสไปใสามาเราก็รู้ทันนะจิตไหลไปก็รู้ทันจิตเป็นยังไงรู้ทันลูกเดียวเลยนะให้ฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวมันเติมปัญญา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 ก็ดีแล้วดินะ็่อยฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วหนูต้องหาที่อยู่ให้จิตไหมะคะต้องหาต้องหาดูไก่เลื่อนไก่เคลื่อนไหวรู้สึกไกลเคลื่อนไหวรู้สึกนะฝึกเรื่อยๆอคนนี้อันนี้อยู่การบินไทยหรอกเรออหลวงพ่อคะเวลาที่เราเราเห็นว่าเราคิดนี่มันต่างกับที่จิตมันคิดไหมคะเราคิดเนี้ยมันเจอด้วยความจงใจจะคิดนะจิตนี้มันคิดของมันเอง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 คิดเรื่องโนอนคิดเรื่องนี้นะรู้ทันว่าจิตไหลไปนะความคิดจะขาดไปเดี๋ยวไม่คิดอีกก็รู้อีกก็ขาดอีกเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จงใจไหมถ้าเราคิดเนี่ยจงใจคิดถ้าจิตมันคิดเองนะไม่ได้จงใจนะมันคิดได้เองเคยเป็นไหมอยู่ๆก็หน้าคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในความรู้สึกของเรานะมีหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาเราก็คิดแต่อีกคนนี้มันร้ายอย่างว่านี้นะเยจิตมันหลงไปคิดเองไม่เป็นไรแต่พอเรารู้ทันว่าเฮ้ยไปคิดถึงเขาแล้วโกรธขึ้นมา ความโกรธไม่ดีนะนี่เราเริ่มคิดแล้วความโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธก็เลยนะความโกรธทําให้จิตเสียหายเนีย่ยคิดเอาเองละไมนะ่อยากคิดเอาเองโยเว้นเวลาทํางานต้องคิดให้รู้เรื่องนะต้องไงมีอะไรแนะนำไมหมคะหลวงพ่ อ, พอทําไมกลัวหลวงพ่อกันนักหนาวะแต่ละคนใครซีบใครแล้วเราตื่นเต้นทําไมเจอกัอนมาตั้งหลายปีแล้วฝ่ายให้กายให้ใจทํางานแล้วมีสติตามรู้ไป ที่ฝึกอยู่จะใช้ได้นะแต่ขณะเนี้ยใจมันออกนอกรู้สึกไหมใจมันกระจายออกไปข้างนอกมันวิ่งมาหาหลวงพ่อ<า>แล้วมันก็วิ่งไปสงสัย<า>เห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมาคือออกนอกนี่ก็คือไม่ได้ก็คือลืมลืมตัวเองลืมตัวเองค<า>บางทีออกนอกแล้วสบายใจโล่งว่างนะไปอยู่ข้างนอกแล้วสบายอยู่อยู่เท่เนี้โลง่ลงๆสบายเพลิอนนะอย่างนั้นไม่ดีก็ให้รู้ทันว่าใจไหลออกไปแล้ว กลับมารู้สึกร่างกายไหมนะเดี๋ยวไม่ก็เข้ามาที่จิตทีหลังสงสัยอีกแล้วทราบไหมใช่ค่ะทำไมไม่รู้ว่าสงสัยค่ะคือรู้สึกว่าจะรู้สึกกายไม่เป็นนะคะจะรู้สึกกายไม่เป็นก็ดูใจไปค่ะนะเหมือนกันแหละดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ถ้าดูกายถูกต้องนะสติสมาธิปัญญาก็เกิดดูจิตใจถูกต้องสติสมาธิปัญญาก็เกิดเหมือนกันปัญญาเกิดขึ้นมาก็คือเห็นว่าไม่มีตัวเรา กายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้ตัวนี้บ่อยๆน ะ, ะของคุณนะถ้าจะให้ดีนะหาเครื่องอยู่ให้จิตไหมนะจะพุโทโธหรืออะไรก็ได้น ะ, ะหรือว่าหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันน ะ, ะไม่งั้นจะลอยลอยไปนานๆอย่าให้ไหลไปนานลงนานไปค่ ะ, ะคนนี้นมัส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้จิตใจรู้สึกตื่นเต้นนะเจ้าค่ะ ให้ใครเจหรอหลวงพอ่พอก็ตื่นเต้นตนะเหมือนกับต้องทำข้อส่งเข้าสอบนะคะเหรออย่าไปคิดอย่างนั้นสิเหมือนกับ ส, สอบนะคะเหรออย่าคิดว่าสอบคิดว่าคุยกันเล่นๆ เ, เคยอยู่ปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อมาเมื่อปีเสร็ศษมาแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็วววส่งกันบ้านตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่า เ, เพ่งแล้วก็ประคองเอาไว้เจ้าค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ก็ดูออกไหมว่ามันเบาลงเบาลงเยอะเจ้าค่ะดีแล้วอย่าเพ่งไว้ แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเอทําครัวทำกับข้าวอะค่ะแล้วโดนมีดบาดลงไปลึกมากเลยอมมันไม่รู้สึกเจ็บอะค่ะรู้สึกว่านิ้วเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับตัวเราออแล้วมันหยุดไปแล้วเหรอมันไม่ใช่หลุดค่ะแต่เพราะว่าพอมองไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ได้อยู่กับใช่ค่ะแล้วก็เปลือดไหลเยอะมากเลยก็เลยแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็ จัดการตรงนั้นแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็เรียบร้อยอะค่ะนะดีแล้วบาง <c oughs> คนตกใจนะมีดบาดเลือดออกตกใจเป็นลมเลือดเลยออกหมดตัวเลยนะโยมต้องใช้วิหารแล้วทำตัวไหนเป็นเครื่องอยู่เจ้าค่ะโยมดูกายบ่อยๆนะคะ <c oughs> รู้สึกกายไปคนที่ติดเพ่งมาก่อนนะพยายามดูกายให้มากไว้เจ้าค่ะไปดูจิตเดี๋ยวไปเพ่งจิตจินเพ่งง่ายเจ้า <c oughs> ไปจ้องนิดเดียวก็เพงนะ่งแล้วรู้สึกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกบ่อยๆเจ้าค่ะ เนี่ยใจลอยอีกแล้วเห็นไหมไม่มีวิหารแลรวทำครับกราบท่ า, านอาจารย์ครับส่งกันบ้านรอบครึ่งปีครับอืจิตไม่เป็นกลางครวันวันไหนถ้าเกิดมีกุศลเข้ามีความสุขก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆแล้วก็คิดว่าวันนั้นภาวนา ด, ดีจิตแคขณะ น, นี้รู้ตัวเต็มที่ไหมไม่ครับรอาจารย์ไมีโมหะเออมีโมหะตับถูกนี่ครับต่อยพยายามเดินไว้กระดูกระดิกไว้นะเคลื่อนไหวบ่อยๆครับลูกเราสนไหม ครับพอสมควรครเอานะเลี้ยงลูกไปดูใจไปเอย่างก็โมโหแล้วก็ดูไปครับดูบ่อยๆครับรอบนี้มีอะไรบกรุกคลองอะไรจะเพิ่มเติมอะไรไหมอาจารย์ยับประคองไว้นะจิตมีโมหะรู้ด้วยความเป็นกลางหลักของการปฏิบัตินะมันมีสองอันนะอันแรกเลยรู้สภาวะทั้งหลายที่มันกําลังปรากฏอยู่อันที่สองเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนั่นอย่างสภาวะคือความมัวมัวเกิดขึ้นจิตมัว เราไม่ชอบความยินร้ายเกิดแล้รู้ทันที่ความยินร้ายไม่ใช่ดูที่มัวแล้วนนะมัวเป็นอดีตแล้วปัจจุบันคือยินร้ายงั้นตัวลงอารมณ์ปัจจุบันไปเลยในสุดเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิต ท, ที่เป็นกลางนะครับครับครบบคณครับน<ม>ี่คือการอารจารย์ประมดที่ครบอย่างสูงครับเมื่อกี้อาจารย์ตอบเรียบร้อยแล้วกำลังคำถามที่จะถามต่อไปนี่คือจะถามว่าการปฏิบัติอย่างไรให้พ้นทุกข์ได้เร็วที่สุด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 มีสติรู้ทันไปนะใจไหลไปแล้วตามความรล้สละใจตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาไว้สู้กิเลสอย่างกลางๆถัดจากนั้นเราสู้กิเลสขั้นละเอียดกิเลสขั้นละเอียดคือความไม่รู้นะความโง่ของเราเองความไม่รู้ของเราเองนี่คือกิเลสชั้นละเอียดต้องสู้ด้วยการเจริญปัญญามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปนะเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางนะั้นเวลาหลวงพ่อสอนขั้นเจริญปัญญานะเขาจะสอนบอกว่า ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นั่นเองต้องเห็ น, นไตรลักษณ์ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่เป็นกลางจะไม่เห็นความจริงอนะย่างเมื่อกี้ใจไหลไปแล้วรู้สึกไหมไหลพอใจไหลวูบไปลืมกายลืมใจเห็นไหม ไ, ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้อย่าว่าแต่จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเลยกายมีอยู่ยังหายไปเลยใจมีอยู่ยังหายไปเลย งล้นเราต้องไม่หลงไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆแต่ไม่เพ่งถ้าเพ่งนะไตรลักษณ์ไม่สแสดงตัวทุกอย่างนิ่งไปหมดเลยกลายเป็นเที่ยงไปหมดแล้วจะรู้สึกกูเก่งกูเก่งแทนที่จะลดอาตานะัตรากลายเป็นเพิ่มอัตราอีกงั้นะเราไม่ไปเพ่งไว้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมถ้านอาจารรู้กับการเห็นนี่ต่างกันอย่างไรขันเดียวกันโดยสํานวนเท่านั้นเองนะสํานวนในปริยัตเรียกว่าการเห็นนะมีปัจนาเนะี่ยคือการเห็นนะ ของโยมทำได้ดีนะจิตมันตื่นรู้สึกไหมรู้สึกั้ยจิตมันตื่นส่วนที่เหลือก็ดีนะแต่ว่ามันตื่นเต้นมันไม่ใช่ตื่นเฉยเฉยมันเจือด้วยคำว่ า, าเต้นไปด้วยแต่ตอนนี้เริ่มคลายออกแล้วดูออกไหมแต่มันเริ่มผ่อนคลายนี่ยังคิดมากเหมือนเดิมของโยมดีนะรู้สึกตัวด้วยๆขี้โมโหไหม <S <S ไม่ต้องพยายามให้รู้บ่อยๆนะคนขี้โมโหนะคนมีบุญนะ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 สมถะที่เหมาะเลยนะคือเจริญเมตตาไว้โอ้ยคนนี้ก็น่าสงสารนะดูสิโง่โง่น ะ, อะเออไอคนนี้ก็น่าสงสารนะดูสิโลภมากนะจะเอานูน่นจะเอานี่ตีตัวนะก็ถูกถูกแหมยอยากจะเลื่อนชั้นอะไรเงี้ยนะเออเนี่ยนะดูมันลงไปเลยนะเจริญเมตตาไว้บ่อยๆนะแต่บางครั้งหนูมีหนูมีความรู้สึกว่า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 ต้องทนเอ า, าจเจริญเมตตาไว้ถวยโยมเจอคนละร้อยร้อยเดียวหลวงพ่อเจอทีบางทีตั้งหลายพันเนะ่แต่เราไม่โมโหนะเราสงสารอ่ะกลับรมศาการเจ้าค่ะท่าอาจารย์ขอโอกาสส่งการบ้านเจ้าค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินจงกรมอยู่แล้วก็ฟังซีดีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องจิตผู้รู้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 เห็นได้ว่าลึกๆเลยนะเรารักในกายนี้มากใช่ไหมแม้เราหวงแหนมากนะถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราจะทุกข์มากนี่เราค่อยตามรู้ตามดูไปด้วยทุกวันทุกวันดูไปด้วยถึงวันถึงปัญญามันพอมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันยืมโลกมาใช้นะเพราะงั้นมันจะหายไปไม่ตกใจละแต่แรกๆเห็นครั้งแรกๆที่ว่ามันไม่ใช่เราบ้างเห็นมันหายไปบ้างอะไรนี้ตกใจเพราะเรายังรักมันอยู่นะก็ตามรู้ไปเรื่อยแล้วหลังๆนี่จะเห็นอัตรา ตัวของตัวเองบ่อยๆขณะขับรถแซงเขาได้ก็แบบดีใจ oh. อัตตาก็โผง่มาเลยดีที่เห็นเจ้าคนะ่ะทีนีอ้อยากจะกลับเรียนถามอาจารย์ชอบไปดูอัตตาคนอื่นอมไม่ดีเจ้าค่ะทราบดูดของตัวเองนะอย่างสุดเราไปเห็นอัตตาคนอื่นแล้วเราก็เอ้ยหน่ารังเกียจจังเลยเจ้าค่ะเรารู้ทันที่ใจเรานี้ใจเราไปดูถูกเขาละ เรารู้ทันที่ใจเราคือเราจะตั้งแต่แรกไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะเหมือนเมืที่มันไปรอดูอยู่อะไรอย่างนีให้รู้ทันว่าใจไปรอดูของคนอื่นก็แล้วของตัวเองก็ดูเหมือนกันเจ้าค่ะดูของตัวเองบ่อยๆมีคราวหนึ่งนะหลวงปู่ดุล่ะท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศที่หินหมักเป้งหลวงปู่ดูลอยู่สุรินหลวงปู่เทศอยู่หนองคายแต่ท่านรู้จักกันท่านเคยอยู่อุบลด้วยกันหลวงปู่ดุลไปหาหลวงปู่เทศไปคุยธรรมะกันพอสมควรหลวงปู่เทศก็ขอโอกาส ให้โยมในวัดได้ฟังธรรมของหลวงปู่ดุลด้วยก็โยมก็มานั่งฟังหลวงปู่ดุลก็สอนให้ดูจิตไปหน้าวันหนึ่งจิตมันยิ้มย่ะกิเลสนี่โยมคนหนึ่งนะคุณป้าคนหนึ่งก็ฟังโอ้ต้องภาวนาจนจิตมันยิ้มย่อกิเลสได้พอหลวงปู่ดูลกลับไปนะแกก็ดูจิตของแกทุกวันเลยนะแล้ววันหนึ่งไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันเห็นแล้วจิตมันยิ้มหลวงปู่ถามจิตมันยิ้มยังไงมันยิ้มย่อกิเลสเจ้าค่ะมันเป็นยังไงล่ะ มันเห็นใครมีกิเลสนะเจ้าค่ะมันยิ้มย่ะตลอดเลย <c oughs> ไม่ได้นะคมันต้องยอ่ยอเยย์กิเลสตัวเองได้นะไม่ใช่ยอกิเลสกระดื่นนะเจ้คาค่ะ ก, ก็เห็นตัวเองเหมือนว่าเอ้มันจิตมันส่งออกนอกไปนะอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราทุกข์เพราะเราไปชอบเฝ้าม<ช>องคนอื่นเขาถ้าเราไปดูคนอื่นกิเลสของเราจะมากขึ้นถ้าเราดูตัวเราเองนะกิเลสจะลดลง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 ทำได้อยู่แล้วนี่ยดูไปได้ทั้งกายทั้งใจนะมนสมาสการครับผมพอ่อปฏิบัติมาแล้วเสื้อสีชมพูห ล, ลงไปแล้วตอนนี้เริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมศัตรูมีสองอันนะหลงไปเผลอไปกับเพ่งเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเผลอไปก็รู้ทันเพ่งอยู่ก็รู้ทันแล้วค่อยๆ ค, คลายออกอย่าเพง่งนะหลวงพ่อเสียเวลากับการทําสมถะนะติดเพ่งอยู่ยี่สิบสองปีเนะีนะ่ยตั้งแต่เจ็ดขวบนะเพ่งมาจอนอายุยี่สิบเก้า เสียเวลาเปล่าๆได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่ได้งั้นเราไม่ไปเพ่งให้จิต น, นิ่งหรอกปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูมันะ่นวนคว่าพิจนาลงในกายในใจไม่ไม่หยุดเลยะดูกายทํางานดูใจทํางานะจนเกิดปัญญาอะต่อไปวัฒนการกับหลวงพอ่อคือประจำทีหนึ่งนะต้องเล่นงานนี้อีกหน่อยหลงอีกแล้วนึก อ, ออกไหมต่อไปนี้ทําไงดี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 แต่ว่าทีนี้เห็นกิเลสไหมล่ะเห็นครับถ้าเห็นกิเลสไม่ผิดหรอกนะทีนี้กลัวว่าถ้าผิดแล้วไปทําเลื้อยเลือยกลัวจะไม่รู้ว่าผิดนะครับถ้าเห็นกิเลสอยู่นะกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันใช้ได้ะถัดจากนั้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่กิเลสเกิดแล้วเกลียดมันนะอย่าไปเกลียดมันรู้ด้วยความเป็นกลางไปนะค่อยฝึกไปอย่างนั้นแหละรู้ทันกิเลสบ่อยๆกิเลสเกิดได้ทั้งวันกลับน้ำมันสัการหลวงพ่อครับ ที่หนึ่งสองสามแถวที่สี่ของคุณที่ใส่แว่นนี่คนแถวที่สามถัดไปข้างหลังอีกคนข้างหน้ามาอีกคน <c oughs> รู้สึกตัวไปได้ๆนะดูกายดูใจมันทำงานคราวกับ น, นมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมีโอกาสส่งคันบ้านเป็นครั้งแรกครับแต่ได้ฟังซีดีอ่านหนังสือมาบ้างก็เลยไม่ทราบว่าที่ทำเนี่ยอยากจะรู้ว่าถูกหรือเปล่า อ, อย่างที่หลวงพ่อว่านะเห็นกิเลสไหม ก็พอเห็นเห็นเห็นบ้างครับถ้าเห็นกิเลสอยู่นะก็ใช้ได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งะกิเลสเกิดทั้งวันน่ะกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดคือใจลอยใจลอยเป็นโมหะน่าหลงไปเพลินไปลืมกายลืมใจตอนเนี้ยใจลอยแล้วรู้สึกไหมนะเพราะใจเราไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้อยู่ขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตกระจายกระจายออกไปดีไปฝึกอีกเข้ากันครับ คนเรือ บ, บินนี่เก่งหลายคนเนาะใช้ได้พวกที่ส่งกันบ้านแล้วดีกว่าเก่าเพราะหายเครียดแล้ว <c oughs> ที่แรกตอนส่งกันบ้านที่แรกน้าเละเลยเละตุ้มเป๊ะเเครียดจัดนะเอาสรุปแล้วน่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วน่าสรุปนะพวกเราขั้นแรกเลยรักษาศีลไว้ก่อนนะคนที่ไม่มีศีลจิตไม่สงบหรอกถัดจากนั้นเราก็มารักษาจิตด้วยสติ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 แลง้นเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูกายทํางานดูใจทํางานเขาจะแสดงใจรักณ์ให้เห็นเองทีนี้พอดูไปดูไปแล้วเราไม่เป็นกลางพอเห็นว่ามันดีเราก็ชอบเห็นมันเลวเราก็เกลียดเห็นมันสุขเราก็ชอบเห็นมันทุกข์เราก็เกลียดเนยใจเราไม่เป็นกลางพอมันไม่เป็นกลางขึ้นมาให้เรารู้ทันนะตอนนี้จิตไม่เป็นกลางและกิเลสเกิดแล้วจิตเกลียดกิเลสล้นี่รู้ทันที่ความเกลียดนี่นะ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 ไม่ใช่อยู่ๆก็โกรธได้ลอยๆนะอันแรกเลยต้องมีพื้นฐานต้องมีนิสัยเคยโกรธมาขี้มโมโหยิ่งคนไหนขี้มโมโหยิ่งโกรธเร็วไหมมีอนุสัยขี้มโมโหอยู่อันที่สองต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะถ้าไปขี้มโมโหก็จริงอ่ะแต่ไปไหนก็มีแต่คนเอาใจนะก็ไม่โกรธสินะบางคนก็บอกนะว่าไม่เคยโกรธใครไม่เคยอาฆาตใครสุสีไทยเห่าเนี่ยเคยพูดเลยนะบอกเรานี่นะตั้งแต่ คลองแผ่นดินมาเนี่ยเราไม่เคยอาฆาตใครเลยเพราะเราโกรธใครมันตายแล้วไนะอ้ อ, อย่างนี้ไม่ได้นะถ้ากระทบอารมณ์ไม่ดีนี่ใสยไม่ดีก็มีอยู่นะโทสะก็เกิดใช่ไหมถ้ากระทบแต่อารมณ์ที่ดีนะโทสะก็ไม่เกิดนะเนี่ยต้องมีเหตุนี่ถ้าเราไม่ได้กระทบอารมณ์ชั่วๆไปไหนก็กระทบอารมณ์ดีแล้วโทสะไม่มีอันะนี้เป็นเรื่องปกติ หรือเวลาที่โทสะเกิดขึ้นมาคนขับรถปาดหน้าเราเราคิดถึงมันนะยิ่งคิดถึงมันยิง่งโกรธสังเกตไหมตอนที่คนปาดหน้าถ้าเราใจลอยคิดเรื่องอื่นอยู่เราจะไม่กโกรธเราต้องคิดแน่สะแค่ไหนว่ามันจะรีบไปไหนพ่อมึงจะตายหรือเปล่าอย่างนี้ยนะเราคิดในทางไม่ดีอย่างนี้นะโทสะถึงจะเกิดเห็นไหมโทสะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปหมดเหตุยังไงเช่นพอโทสะเกิดเราเห็นไอ้นี่ขับรถปาดหน้าเราแลโกรธมันนะเราเห็นใจที่กําลังโกรธ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 ความหลงผิดนี่คือกิเลส ช, ชั้นละเอียดที่สุดนะหัวโจกของมันก็ชื่ออวิชชา น, นั่นเองความไม่รู้แจ้งอริยสัจแล้วเราคอยรู้ลงในกายในใจนะวันหนึ่งจะรู้แจ้งอริยสัจเรานะจะพ้นทุกมีความสุขที่สุดเลยไม่รู้จะบอกไงนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกมาทุกองว่ามีความสุขจริงๆนะเอาเท่านี้พอตามเวลาเลยนะเี่ยครับพอมาตรฐานกรีนดิดเลย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 ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครางเอวเมวายโตทินัางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปฏิตังถุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาฉันโทปนาราโซยะถามณีโชติรโซยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตูสัพพารโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีขาโยโภภวะ